ธรรมบทแปลเรื่องที่185เรื่องพระโลลุทายีเถระข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระชิตวันทรงปรารพระโลลุทายีเถระตรัสพระธรรมเทศนานิว่าอสัจชายะมลามันตาเป็นต้น พระโลลุทายีอวดดีอยากแสดงธรรมดังได้สะดับมาพวกอริยาสาวกประมาณห้าโกดในพระนครสาวัตถีถวายทานในเวลาก่อนพัดแล้วในเวลาหลังพัดจึงถือวัตถุทั้งหลายมีเนยใสน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยและผ้าเป็นต้นไปวิหารแล้ว ฟังธรรมกถาอยู่ก็ในเวลาฟังธรรมแล้วเดินไปย่อมกล่าวคุณของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพระอุทายีเถระสัดับถ้อยคำของอริยสาวกเหล่านั้นแล้วจึงพูดว่าพวกท่านฟังธรรมกถาของพระเถระทั้งสองนั้นยังกล่าวถึงอย่างนี้ก่อน ฟังธรรมกถาของฉันแล้วจะกล่าวอย่างไรหนอแหลพวกมนุษย์ฟังถ้อยคำของท่านแล้วคิดว่าพระเถระแม้นี้จะเป็นพระธรรมกถึก์องค์หนึ่งพวกเราฟังธรรมกถาของพระเถระแม้นี้ควรวันหนึ่งพวกเขาอารัธนาพระเถระว่าท่านครับวันนี้ เป็นวันฟังธรรมของพวกกระผมถวายทานแก่พระสงฆ์แล้วพูดว่าท่านขอรับขอท่านพึงกล่าวธรรมกาถาในกลางวันเถิดฝ่ายพระเถระนั้นรับนิมนต์ของพวกมนุษย์นั้นแล้วตอนพระเถระไม่สามารถแสดงธรรมได้เมื่อพวกมนุษย์นั้นมาในเวลาฟังธรรมแล้ว พูดว่าท่านขอรับขอท่านจงกล่าวธรรมแก่พวกกระผมเถิดพระโลลุทายิเถระนั่งบนอาสนะแล้วจับพัดอันวิจิตสั่นอยู่ไม่เห็นบทธรรมแม้บทหนึ่งพูดว่าฉันจักสวดสรพัญญะขอภิกษุรูปอื่นจงกล่าวธรรมกถาดังนี้แล้ว ก็ลงจากอาสนะพวกมนุษย์นั้นนิมนต์ภิกษุรูปอื่นให้กล่าวธรรมกถาแล้วนิมนต์พระโลลุทายีขึ้นอาสนะอีกเพื่อต้องการสวดสรพันยะพระโลลุทายีนั้นไม่เห็นบทธรรมอะไรๆแม้อีกจึงพูดว่าฉันจะกล่าวในกลางคืนขอภิกษุรูปอื่น จงสวดสรพพัญญะแล้วก็ลงมนุษย์พวกนั้นนิมนต์ภิกษุรูปอื่นให้สวดสัรพัญญะแล้วนำพระเถระมาในกลางคืนอีกพระเถระนั้นก็ยังไม่เห็นบทธรรมอะไรๆแม้ในกลางคืนพูดว่าฉันจะกล่าวในเวลาใกล้รุ่งเที่ยวขอภิกษุรูปอื่น จงกล่าวในกลางคืนแล้วก็ลงมนุษย์พวกนั้นนิมนต์ภิกษุรูปอื่นให้กล่าวแล้วในเวลาใกล้รุ่งก็นำพระเถระนั้นมาอีกพระเถระนั้นแม้ในเวลาใกล้รุ่งก็ไม่ได้เห็นบทธรรมอะไรอะไรตอนพระเถระ ถูกมหาชนไล่ไปตกหลุมคูดมหาชนถือวัตถุทั้งหลายมีก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นคุกคามว่าพระอันพานเมื่อพวกข้าพเจ้ากล่าวสันเสริมพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะท่านพูดอย่างนี้และอย่างนี้บัดนี้เหตุอะไรจึงไม่พูดดังนี้แล้ว ก็ติดตามพระเถระผู้หนีไปพระเถระนั้นหนีไปตกลงในเวจกุฎีแห่งหนึ่งมหาชนสนทนากันว่าพระโลลุทายีเมื่อถ้อยคำสรรเสริญคุณพระสารีบุตรและพระโมคคลานะเป็นไปอยู่อวดอ้างประกาศความที่ตนเป็นธรรมกถึกเมื่อพวกมนุษย์ทำสักการะแล้วพูดว่า พวกกระผมจะฟังธรรมนั่งบนอาสนะถึงสี่ครั้งไม่เห็นบทธรรมอะไรๆที่สมควรจะพึงกล่าวถูกพวกมนุษย์ถือวัตถุทั้งหลายมีก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นคุกคามว่าท่านถือตัวเท่าเทียมกับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเทระผู้เป็นเจ้าของพวกเราไล่ให้หนีไปตกลงในเวจกุดีแล้ว ตอนบุรพกรรมของพระโลลุทายีพระสัสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรเมื่อพวกภิกษุกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น แม้ในการกอดโลลุธายีนี้ก็จมลงในหลุมคูดเหมือนกันดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสชาดกนี้ให้พิสดารว่าจจตุ ป, ปะโดอหังสัมมะตวันปิสัมมะจจตุปะโดเอหิซ่หะนิวัตตัสุกินนุพีโตปลายสี อสุจิปูติโลโมสิดุคันโธวายยิสูกระสะเจยุชิตุกาโมศิใช้ยังสัมมะดะดามิเตสหายเรามีสีเท้าสหายแม้ท่านก็มีสีเท้ามาเถิดสีหะท่านจงกลับเพราะเหตุไรหนอ ท่านจึงกลัวแล้วหนีไปสุกรท่านเป็นผู้ไม่สะอาดมีขนเปื้อนด้วยของเนา่ามีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปถ้าท่านประสงค์ต่อสู้เราจะให้ความชนะแก่ท่านนะสหายดังนี้แล้วตรัสว่าราชสีในการนั้นได้เป็นสารีบุตร สุกรได้เป็นโลลุทายีพระศัสดาครันส่งนําพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโลลุทายีเรียนธรร ม, มีประมาณน้อยแท้อันหนึ่งมิได้ทําการท่องเลยการเรียนปริยัติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ทําการท่องปริยัตนั้นเป็นมลทินแท้ ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าอสัตชายามะลามันตาอนุทธานามะลาครามลังวันนั ส, สโกสัจจังปมาโดรักขโตมะลังมนทั้งหลายมีอันไม่ท่องบนเป็นมนทินเรือนมีความไม่หมั่นเป็นมนทิน ความเกียดคร้านเป็นมนทินของผิวพันธุ์ความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษาตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอสัจชายมลาเป็นต้นความว่าเพราะปริยัติหรือศิลปะยังได้อย่างหนึ่งเมื่อบุคคลไม่ท่องไม่ประกอบเนืองเนืองย่อมเสื่อมสูญ หรือไม่ปรากฏติดต่อกันฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอาสัจชายามลามันตาอนหนึ่งเพราะชื่อว่าเรือนของบุคคลผู้อยู่ครองเรือนลุกขึ้นเสร็จสับแล้วไม่ทํากิจมีการซ่อมแซมเรือนที่ชํารุดเป็นต้นย่อมพินาศฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า อนุท่ามลาคราพระกายของขรหัดหรือบัรพชิตผู้ไม่ทำการชำระสรีระหรือการชำระบริขารด้วยอำนาจความเกียตคร้านย่อมมีผิวมัวหมองฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ามลังวันนัสสะโกศชังอันหนึ่งเพระเมื่อบุคคลรักษาโคอยู่ หลับหรือเล่นเพลินด้วยอำนาจความประมาทโคเหล่านั้นย่อมถึงควางพินาตด้วยเหตุมีวิ่งไปสู่ที่ไม่ใช่ท่าเป็นต้นบ้างโดยอันตรายมีพานมรึกคือเนื้อร้ายและโจรเป็นต้นบ้างด้วยอำนาจการก้าวลงสู่ที่ทั้งหลายมีนาข้าวสาลีเป็นต้น ของชนพวกอื่นแล้วเคี้ยวกินบ้างแม้ตนเองย่อมถึงอาชญาบ้างการบริภาศบ้างก็อีกอย่างหนึ่งกิเลสทั้งหลายล่วงล้ำเข้าไปด้วยอำนาจความประมาทย่อมยังบรรปชิตผู้ไม่รักษาทวารหกให้เคลื่อนจากศาสนาฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ปะมาโดรักคโตมาลังอธิบายว่าก็ความประมาทนั้นชื่อว่าเป็นมนทินเพราะความประมาทเป็นที่ตั้งของมนทินด้วยการนำความพินาศมาในการจบเทสนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระโลลุทายีเถระจบ